ขอความสุขความเจริญจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดถึงประเด็นของประสูนนั่นแหละแต่ว่าที่ประตาาจารย์ท่านอภิบาลอธิบายเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือหลักธรรม ทิฏฐิทรงเน้นเหมือนกันทั้งสิบเจ็ดประเด็นบราโดสรุปก็คือเน้นที่ศีลสมาธิปัญญาในที่นี้ท่านนำเอาความหมายของคำว่าศีลเป็นต้นเนี่ยมาถาอธิบายขยายความในประกรณ์พิเศษชื่อวิสุทธิมัก ก็เรียกว่าปริพุนนศีลาแปลว่าสมบูรณ์ด้วยศีลก็เป็นนั่นได้กล่าวความบริสุทธิ์ของศีลวยแล้วความประสาทโทษของศีลคือศีลที่ไม่บกพร่องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่าวไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตนเองแล้วก็มีความโน้มเอียงไปทางให้เกิดสมาธิจิตขึ้น จดถึงก็เป็นสมาธิทีนี้ศีลจะถึงพร้อมนะั้นโดยเหตุสองประการต่นกล่าวว่าสีลสมังยินโออธิบายว่าเตอทั้งหลายจงเป็นผู้พร้อมเพียงคือเป็นผู้ถึงพรั่งพร้อมได้ แ, แก่ประกอบด้วยศีลอยู่เถิดคำว่า สีลสมังคินโนนั้นก็แล้วแต่ว่าใครจะรักษาสีะอะไรแต่ก็พยายามรักษาให้สมบูรณ์อีกคำเนึงเรียกว่าสัมปันนาสีลาคือเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยสีนความเป็นผู้มีสีถึงพร้อมย่อมมีได้ด้วยเหตุสองประการคือ ประการศหนโทษในความมีบัตรแห่งศีลความมีบัตรตามปกติแล้วก็จะมีอยู่สีเรื่องคือศีลมีบัติเป็นต้นเรียกว่าเป็นความมีบัตรแห่งศีลคือหมายความว่าศีลขาดเป็นรักษาศีลห้าศีลขาดไปข้อหนึ่งก็ถือว่าศีลละมีบัตรตพระเรา ต้องอาบัตระดับสูงๆหน่อยก็ศีลละวิบัตก็เป็นความวิบัตแห่งศีลแม้สิขาบทที่รองลงมาก็ถือว่าในขณะที่ต้องอาบัตก็ศีลมันวิบัตไปก็ต้องแก้ไขาตามกรรมวิธีที่ทรงแสดงเอาไว้ ลีประการหนึ่งคือเราต้องเห็นอานิสง์ในความถึงพร้อมแห่งศีลพูดง่ายๆว่าเห็นคุณเห็นโทษเห็นคุณของความสมบูรณ์ด้วยศีลและเห็นโทษของความวิบัติแห่งศีลพระสุมณเทระชาวตีปาวิหารกล่าวไว้ว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกจตุปาริสุทธิสีนั้นนั้นขึ้นแสดงโดยพระดำรัสที่มีประมาณเท่านี้ว่าสัมปันนศีลาโดยบรรดาคำเหล่านั้นล้วก็ทรงแสดงสีลที่เป็นประธานบรรดาสีเหล่านั้นอย่างพิสดารโดยคำที่ว่าเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยการสำรวมในพระปาติโมก แล้วก็ต่อไปก็เรียกว่าสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรคือมัญญาติและสถานที่ต่อไปที่เป็นต้นตอนพระสูตรเป็นต้นที่ส่งปรารบไว้ในตอนตอนุนทีนี้ตามปกติแล้วพระตักถาจารย์เนี่ยท่านก็มักจะมีข้อถกเถียงโต้แย้งกันอยู่เรื่อยในเรื่องของสีนเนี่ยพระจุลนาคเทระผู้เป็น ผู้ทรงพระใจบิดดซึ่งเป็นอันเตวสิคืลูกศิษย์ของพระสุมนาเทระนั้นกล่าวว่าพระพุทธเจ้าจัดปาติโมกขสังวรสีนไว้ในบาลีประเทศถึงสองแห่งปาฏิโมกขสังวรสีนเท่านั้นชื่อวศีลแต่ อนาคตสถานอนาคตาสถานที่กล่าวรับรองไปว่าศีลสามอย่างนอกนี้ที่เป็นศีลก็มีอยู่ท่านเมื่อไม่เห็นด้วยจึงกล่าวแย้งไว้ว่าคุณเพียงแต่การรักษาทวารหกก็อยชีวาอินเสียสังวรคุณเพียงแต่การบังเกิดขึ้นแห่งปัจจัย โดยทำรรโดยสม่ำเสมอก็ชื่อว่าอาชีวะปาริสุทธิ์ศีคุณในการพิจารณาปัจเจศีโดยบายวิธีที่แยกคายก็ชื่อว่าปัตจะสนิสิตศีลอันนี้เป็นเครื่องจตุ ป, ปาริสุทธิศีลคือศีลมีสี่สข้อของพระนี้พูดศีลเป็นร้อยรอยพันพันะหลายพันด้วยประมาณทั้งแปดพันกว่า ส่วนใหญ่อยู่นอกปาติโมกแล้วก็เป็นอาบัตทุกฏกับเป็นอาบัตทุนจัยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุกฏในศีลเหล่านั้นน่พอบันสรุปแล้วก็กลายเป็นเป็นสี่ข้อคือปาฏิโมกกับสังวรศี สัมรวมตามบทบัญญัติของสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อย่างไรบางอย่างก็เป็นเรื่องจะต้องงดเว้นถ้าไม่งดเว้นก็ต้องอับัติบางอย่างก็เป็นเรื่องจะต้องประพฤติธปฏิบัติถ้าไม่ประพฤติธปฏิบัติก็เป็นอับัติก็มีสองอย่างถ้าเอานับข้อมันก็มหาศาลและเยอะแยะ ทีนี้มาพูดถึงอินเสียสังวรนะที่ว่าปรนสุทขีกับปัจจะยสันนิสิตสีคือตั้งก็ถือว่าเพียงแต่สำรวมจิตไม่ยินดียินได้ในอารมณ์ที่เราสัมผัสมันก็ถือว่าเป็นอินเสียสังวราศีแล้วหรือว่าปัจจัยลาบที่เกิดขึ้นมาโดยชอบทำ เราไม่มีการแสวงหาในทางที่ไม่ถูกไม่ควร mm hmm. ก็ชื่อว่าเป็นอาชีวะบริสุธทธิ์ล่ล้ก็ถือว่าอาชีวะที่บริสุทธิ์แล้วทีนี้การพิจารณาปัจจัยที่ตนได้แล้วแต่สิ่งที่มีอยู่ก็เรียกว่าพิจารณาปัจจเวกพิจารณาในขณะรับในขณะบริโภคใช้สอยแล้วก็หลังจาก บริโภคใช้สอยไปแล้วก็ชื่อว่าเป็นปัจจยสันนิสิทธศี่ศี่ที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาปัจเจศิ่งพระเราจะต้องพิจารณานะฮะทาไมพิจารณาแล้วก็ป ร, ปรบับปัจจัยพต้องการฝึกให้มีสติในการบริโภคปัจเจศี แล้วก็อี ก, อ ก, อกประการหนึ่งเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่จะส่งเสริมประสบการณ์ในด้านการเจริญกรรมาฐานประเภทอาหารปฏิกูลสัญญาคือพิจารณาเห็นความปฏิกูลของพวกอาหารทั้งหลายท่านบอกว่าแต่เมื่อกล่าวโดยทรงเนี่ยปฏิโมกขสังวรศีลเท่านั้นชื่อศีลปฏิโมกขสังวรศีล นั้นผู้ใดขาดแล้วผู้นั้นใครๆไม่ควรกล่าวว่าผู้นี้จักรักษาศีลที่ประนีได้แต่ว่ามันก็กลหมายถึงระดับประราชิกสีนะฮะคือไม่ใช่ไม่ใช่ขาดข้อใดข้อหนึ่งแล้วจะถือว่าไม่มีศีลเหลืออยู่มันไม่ได้เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีศีลสัสาขาด แต่ไม่อาจที่จะรักษามือรักษาเท้าไว้ได้ฉะนั้นการเปรียบเทียบอย่างนี้พู้เจ้าทรงเปรียบเทียบในกรณีของปราชิกสีเป็นคนศีรษะขาดบ้างเป็นคนอะไรเป็นต้นตานยอดร่วนบ้างเขาบประมาณเทียบเคียงเป็นก้อนศิลาที่แตกแล้วบ้างหมายความมันก็ต่อไม่ได้ นี่ก็เป็นเป็นประเด็นเรื่องศีลก็เถียงกันไปเถียงกันมาสรุปแล้วว่าท่านไปให้ความสำคัญแก่ปาติโมกสังวรศีนว่าเป็นตัวศีลจริงๆแต่ว่าในภาคของการปฏิบัติมันเป็นเรื่องสำรวมระวังเพื่อไม่รู้อำนาจแก่กิเลสที่แรง เมื่อการเห็นรูปฟังเสียงแล้วเกิดยินดียินร้ายนี่ก็ถือว่ากิเลสมันก็ลดออกมาข้างนอกก็มีกำลังแรงเขาพร้อมที่จะไปทำชั่วทำผิดอะไรก็ได้อาชีวะปริศลีก็เป็นเช่นเดียวกันมันก็จะต้องสำรวมระวังเยอะเรื่อในการเลี้ยงชีพทิ่นการไม่พิจารณาประเจสี ก็แน่นอนแหละมันเป็นเรื่องของการสำรวมระวังแต่ว่ามันใกล้ยๆกับใกล้ไปทางกรรมฐานพระวิจารณาในแง่ของความปฏิกูลแล้วก็แง่ของวัตถุประสงค์คือสมเรตจประโยชน์ทีนี้ประเด็นหนึ่งท่านก็ ยกตัวอย่างเรื่อง อ, ง อ, ง น, อ น, นิสง์ของศีลอนิสง์คือผลดีงามที่เกิดขึ้นจากการรักษาศีลเช่นอย่างศีนหน้าเนี่ยพระเจ้าประสงค์แสดงไว้ว่าคนที่รักษาศีลได้รักษาศีลได้ดีไม่ใช่เป็นคนทุศีลก็เป็นคนที่ไม่ต้องวิไปสานใจคือเดือดร้อนใจ หวนคิดถึงพฤติกรรมในอดีตของตัวเองถ้าหากว่าเรามีความบกพร่องอยู่เราก็ไม่สบายใจแวบบขึ้นมาก็ไม่สบายใจแล้แล้วก็เกียรติคุณอันดีงามจะเป็นที่ยอมรับยกย่องของคนทั้งหลายจะเป็นผู้องอาจเวลาเข้าไปในสถานที่ใดถ้าเราไม่ไม่มีปัญหาเรื่องความประพฤติ เราก็ไม่เดือดร้อนไม่มีตกกลังบนไม่หวาดระแวงแล้วก็ไม่ลงตายตายไปแล้วไปบังเกิดในสุขตินี่ก็พูดในกรณีของสีห้าแต่สีนืนมันก็คือกนั่นแหละยิ่นแต่ว่าเป็นธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่ชาวบ้านก่อนที่จะเสด็จไปเพื่อไปนิพพานที่กรุสินารา ก็เป็นอันที่สูงที่เราเห็นได้ชัดพอสามข้อแรกเนี่ยเห็นกระจัดในขณะนั้นข้อที่สองที่สามข้อที่สองก็เห็นก่อนจะดับจิตไม่ใช่ข้อที่สองคือข้อที่สี่ะเห็นได้ก่อนดับจิตข้อที่ห้ามันก็เป็นเรื่องหลังตายแล้วตายไปบังเกิดในสุคติหรือไม่เนี่ยเราทันต์เดงเป็นคนรคู้ หรือว่าท่านที่มียานเท่านั้นเองที่จะอย่างรู้ได้ในความหวังที่หนึ่งคือปรารถนาเรื่องเรื่องเรื่องศีนังกราบก็แม้ถ้าคนผู้บวชไม่นานเป็นคนมีปัญญาสามตึงมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าสัตว์ว่า พวกเธอจงบำเพ็ญศีลพวกเธอจงบำเพ็ญศีลดังนี้อะไรหนอเป็นานิสงอะไรหนอเป็นข้อแตกต่างอะไรเป็นความเจริญในการบำเพ็ญศีลดังนี้เมื่อจะทรงแสดงานิสงของศีลสิบเจ็ดประการแก่พิสู่ผู้บวชไม่นานเป็นต้นนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สัตย์อย่างนี้ถ้ากรลไรพริสูทังหลายได้ฟังานิสง ซึ่งมีความเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเพื่อนสัปปะมาจารีทั้งหลายเป็นเบื้องตน้นอีการสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นที่สุดแล้วจากความเป็นสีในบริบูรณ์เหมือนพ่อค้าขายน้ำอ้อยงบฉะนั้นธรรมดาพ่อค้าขายน้ำอ้อยงบท่านเรียกว่าพ่อค้าน้ำอ้อยแต่ท่ยยานก็ยกตัวอย่าง ลากันว่าพ่อค้านั้นเอากเกวียนบรรทุกน้ำอ้อยงกและน้ำตาลกรวดเป็นต้นไปแถทบท่ายแดนและโฆษณาว่าพวกท่านจงดื่มยาพิษและนามผู้ท่านจงซื้อยาพิษและนามดังนี้ชาวบ้านในฟังคำนั้นก็คิดว่าธรรมดาว่ายาพิษเป็นของร้ายแรงผู้ใดกินเข้าไปเขาผู้นั้นก็ต้องตายแม่น้ำก็ทิ้มแทงแล้วก็ย่อมทาคนให้ตายได้ สิ่งของทั้งสองอย่างนี้เป็นของรายแรงจะมีอนิสงส์อะไรในชื่อนี้ดังนี้ก็ปิดประตูเรือนแล้วก็ไล่เด็กแค่นี้ไปพระกาเห็นเช่นนั้นจึงคิดว่าชาวบ้านเหล่านี้เป็นผู้ไม่ฉลาดในการค้าขายเอาถึงเราจะใช้อุบายให้ชาวบ้านเหล่านั้นซื้อดังนี้จึงร้องขายไปว่าท่านจงซื้อของหวานท่านจงซื้อเอาของดี ท่านจะได้น้ำอ้อยงบน้ำตาลกรวดที่มีราคาดีพวกท่านจะซื้อได้โดยมาสบปลอมและก็หาประนับปลอมราคายาวดังนี้พวกชาวบ้านพอได้ยินข้าวก็ต่างกระรือรงพากันไปให้ราคาแม่แพงและก็รับเอาของนั้นไปเพราะพป็นดหลัดที่ว่า ภิสษุทั้งหลายเธอจงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลศึกษาสมาทานอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนั่นเองก็เหมือนคำโฆษณาของพ่อค้าี่ว่าวิสากรตะกะที่จงชือเอาซึ่งยาพิษพระวิภัชเจ้าจัดว่าพวกเธอจงเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์อยู่เถิดดังนี้ พระพิสษจย่อมคิดว่าธรรมดาสีนี้เป็นของกระด้างเป็นค่าวสุดต่อการหัวเราะการเล่นเป็นต้นจะมีอนิสงอะไรบ้างหนาแต่เราพิสูจผู้มีสินสมบูรณ์ดังนี้ก็เหมือนกับพวกชาวบ้านมีความคิดว่ายาพิษและนาำเป็นของหยาบจะมีอนิสงอะไรในการซื้ อ, อยาพิษเป็นต้น เมื่อเป็นฉะนั้นพึงทราบดำราศข้างต้นของพระผู้มีพระภาคที่ว่าอากังคือยะเจท้าหวังเช่นนั้นก็เป็นประโยชน์ในการประกาศอันสง์ที่สิบเจ็ดคืออาสวัคยานที่กล่าวไว้ในตอนตอน้นมัะเป็นอุบายวิธีเป็นวิธีสอนในลักษณะกระตุน้นเตือนให้หนักส น, นึกสนิท เพราะะไรเพราะว่าการที่เราจะเห็นอ น, นิสง์ของสีเนี่ยเราต้องมีสีเสีก่อนแต่เราไม่มีสีเราจะเห็นอ น, นิสง์ของสีได้อย่างไรแล้วก็ประเด็นที่ท่งแสดงในเรื่องข้ออื่นก็คือควรทำสีให้ควรทรงใช้คาหลายคานะะหมายความว่าพึงเป็นผู้เป็นบุคคลอื่นพึงมองดูด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรัก ึงเป็นแบบอย่างแห่งการบังเกิดขึ้นแห่งความรักแบงนี้แล้วก็เป็นที่ชอบใจก็คือเราพึงเป็นผู้เจริญใจของคนเหล่านั้นและคำว่าคารุที่แปลว่าคารุเนี่ยหมายความว่าเราพึงเป็นที่สนัดของชนเหล่านั้นเป็นความปรารถนาหมายความพิสุขต่อการอย่างนั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่คารพนับถือเป็นที่ศักดิ์รของคนทั้งหลาย ก็ตั้งความปรารถนาไปแล้วก็ควรกระทําให้บริบูรณ์ในศีลว่าถ้าต้องการอย่างนั้นก็ควรจะทำให้บริบูรณ์ในศีลหมายความว่าพึงประกอบด้วยอาการที่ทําให้บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกร่องที่ถ้าเรียกว่าศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดาไม่พร้อยเป็นไทยแก่ตัวแล้วก็ไม่รักษาด้วยตัณหา ทิฏฐิจิตโน้มน้องเข้าหาสมาธิแล้วประกอบทำเครื่องสงบทางจิตอันเป็นไปในภายในนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะอีกประเด็นหนึ่งที่ทรงย้ำทั้งสิบเจ็ประเด็นหมายความเป็นปุ๊ประกอบด้วยการฝึก จ, จิตของตนตามหลักการปฏิบัติธรรมะที่จริงเราก็ฝึก จ, จิตนะ แต่เราจะเริญนเมตตาเริญมุติตาหรือว่าเกิดกรุนาเกิดทุเบขาอะไรก็ตามก็ถือว่าเป็นการฝึกจิตระดับหนึ่งแทนที่จะให้จิตมันลั่นไปด้วยความพยาบาทด้วยกามรมาลาคะด้วยความเบียดเบียนด้วยความริษยาด้วยความอคติหรือด้วยความยิน ด, ดียินร้ายเนี่ย แต่เราพยายามควบคุมจิตเอาไว้มันก็สงบอยู่ข้างในสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันแต่ถ้าเราปฏิบัติตนอย่างนั้นอย่างต่อเนื่องยาวนานมันก็กลายเป็นลักษณะนิสยัยกลายเป็นคนดีมีศีลธรรมคอยความอุ่นใจแก่ตัวเองแล้วก็เรียกร้องความเป็นมิตรความเคารพนับถือจากบุคคลอื่น แล้วข้อต่อไปที่บอกว่าในภายในของตนหมายความว่าประกอบด้วยสมถะคือการทำจิตให้สงบหรือการเจริญกับสมถานข้อกรรมฐนสมถาเข้อใดข้อหนึ่งก็แล้วแต่ใช้สติสัมปชัญญะความเพีย เรื่องในอะไรก็ได้พุทธานติธรรมานติสังคานุติสีลานติก็เยอะนะฮะทั้งสี่สิอารมณ์แล้วก็ทำฌานไม่ทำให้ฌานเหินห่างคือผู้ที่มีฌานอันใดก็ตามนำออกไปภายนอกไม่ได้หรือมีฌานอันอันอะไรๆทำให้เสื่อมไม่ได้ หมายความว่าเราจะแสดงความมีชาญให้คนอื่นเห็นมันก็ไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไปกระทบอารมณ์ข้างนอกบ่อยๆก็ไม่ได้แล้วก็ได้ชาตอนันใดแล้วก็พยายามสงบอยู่กับชานนัินั้นอย่าให้มันมันถอยร่นลงมาเพียงแต่ว่าพยายามให้ก้าวไปเรื่อยๆ เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการรักษารักษาสุขภาพจิตเอาไว้ให้สงบ้มีความสุขไห้มีสมาธิได้มางน้อยแค่ไหนเพิยงไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่นเงเรื่องหนึ่งที่ใช้คำว่าวิปัสสนาญาสมนณากะโตคือประกอบด้วยวิปัสสนา ในที่นี้ท่านเน้นไปที่อนุปัสสนาอนุปัสสนาก็เรียกว่าตามรู้ตามเห็นเห็นในเรื่องอะไรอ่ะท่านยกตัวอย่างมาจิตเรื่องนะีอนิจจานุปัสสนาคือตามรู้ตามเห็นถึงสิ่งทั้งหลายที่ตกอยู่ในกฎของอนิจจงคือความไม่เที่ยง อะไรก็ตามก็ดึกไปก่อนมันไม่เที่ยงพอมันไม่เที่ยงขึ้นมามันก็เป็นขอามันอย่างนั้นเองสภาว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่ร่วมพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้หรอกหมายความว่าจับอะไรขึ้นมาคิดอย่างนี้ไ้ดิอาจจะรู้ใบ ไ, ไม้ก็ได้อาจจะรู้อะไรก็ได้ เราเห็น triangle, การเปลี like ่ยนแปลงอาการเลื่อนไหลของสิ่งนี้นั่นประการต่อลักษณะของอณิจตานี่ก็คือ1เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสองมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะสามดำรงได้อยู่เพียงขณะขณะขณะขก็ต่อไปแล้วก็สี่ก็คือขัดแย้งกัน ในสิ่งที่มีการอธิบายกันว่ามันเชี่ยงเพราะว่าความจริงของโลกทั้งหลายมันไม่มีลักษณะอย่างนั้นเป็นาการเลื่อนไหลที่ไม่ไม่นิ่งเลื่อนไหลไปตลอดมเมื่อเลื่อนไหลไปตลอดก็ต้องเห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นนั้นเพราะอารมณ์ที่เป็นเหตุได้พลาท่านบรรลุบางครั้งเราก็แต่เป็นเรื่องบารมีของท่านนั่นเ ถ้าดูฟองนะ้ำท่านก็เห็นความไม่เที่ยงตอนน้ำมันก็เกิดขึ้นไางอยู่แล้วระดับไปเห็นต่อมน้ำเล็กๆมันก็เกิดขึ้นไางอยู่ระดับไปเห็นพยับแดดดูไปดูมาก็เกิดขึ้นได้อยู่ระดับไปเห็นอะไระก้อนเมฆอะไรก็ได้นะ อย่างที่ทรงสอนให้เห็นว่าให้เห็นรูปเหมือนกับผ่องน้ำเห็นเวทนาเมือ่อกล่อมน้ำเห็นสัญญาเหมือนกับะยับแดดเห็นสังขารเมือ่อกะกอกล้วยเห็นวิญญาณเหมือนกับมายาภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับที่นี่ทุกขานุปัสสนา ทุ ก, ก็เน้นไปที่ทุกขเวทนาหรือทุกใหญ่นะฮะชาติปีตุคาจะราปีตุคามานำปทุกขังก็แล้วแต่เดี๋ยวขึ้นมาดูสักข้อหนึ่งดูข้อไหนที่ถนัดเราก็ดูข้อนั้นไปก่อนแต่ อ, อย่างไม่ถนัดก็อย่าดูมันทุ ก, ก็คือสิ่งทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแล้วก็ไม่มีอะไรที่ คงอยู่ในสภาพเดิมได้เกิดมาถึงก็เลื่อนไหลแล้วก็มีการแาผดเผามูจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกภายในก็เยอะทำให้ร่าร้อนโดยทุกขเวทนาส่วนใหญ่โรคภัย่าเจ็บเสร็จแทงตัวอย่างที่ทรงแสดงเรื่องเรงทุกสิบอย่าง ร้อนหิวกระหายปิดปัจจร์ปวดอุจาระปวดปัสสาวะง่วงนอนแก่เจ็บตายมันก็เป็นทุกข์อยู่แปดเผาอยู่ตลอดเราก็เดือดร้อนกับมันอยู่ตลอดปัจจัยจากภายนอกก็มีการเผาไว้ดารอดเราก็เจอกับมันอยู่ทุกวัน เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าเราหาประโยชน์มันให้ลดตัณหาอุปาทานลงไปได้เพราะตามปกติใจที่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมักจะไปเข้าใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงเที่ยง้าใจสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเข้าใจสิ่งที่ไม่สวยงามว่าสวยงาม ก็ใจสิ่งที่ไม่เป็นอัตตาตัวตนว่าเป็นอัตตาตัวตนที่ทรงเรียก้รงใช้คาว่าวิปลาหมายความว่าเป็นความคิดเห็นทีค่คลาดเคลื่อนจากความจริงความจริงที่แท้จริงนะ่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่เราไปเห็นอีกอย่างหนึ่งมันก็กลายเป็นความเห็นที่วิปลาไปแล้วก็ อนัตตาอนัตตาตาุปสนาตามพิจารณาดูเห็นให้เห็นความเป็นอนัตตาคือความไม่เป็นตัวเป็นตนไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลายประเด็นนี้ที่ริงใช้คำว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตา หมายความมันจะเป็นรูปธรรมเรื่องรูปธรรมกระทำผลสุดท้ายก็เป็นอนัตตาไม่ใจ่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราอนัตตนั้นก็มีประเด็นที่ควรกําหนดคือสี่ประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือเราควบคุมบังคับบัญชาให้เป็นไปตามที่เราต้องการไม่ได้ ประการที่สองก็คือขัดแย้งกับความเชื่อเรื่องอัตาตาตัวตนที่ถาวรยั่งยืนไม่แปรผันหน่อยละที่ในาศาสนาที่นับถือเทพเจ้าสูงสุดแล้วก็พอแยกย่อยไปแล้วมันก็กลายเป็นศูนย์เป็นศูนย์ตานะคือศูนย์มันไม่มีอะไร แล้วก็เราไม่เป็นเจ้าของอะไรใครอย่างแท้จริงแม้แต่ตัวเราเองเราก็ไม่ได้เป็นเจ้าของจริงๆอย่างที่พระเจ้ารับสัง่งเป็นความว่าบุคคลบนเพข่้นไปว่าทรัพย์ของเรานาของเราสวนของเราโคกระบือของเราลูกของเราเนี่ยของเราแต่ว่า ตัวก็เรายังไม่เป็นของเราเลยและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรประการต่อไปก็คือวิราคานุปสนามองเห็นความจางคลายของราคะที่อยู่ภายในใจก็ดูที่ใจเราว่ามีราคะหรือราคะมันลดลงไปไอ้วิราคานะนั้นที่จริงก็ เต็มๆก็ต้องเป็นนิพพานนะฮะแตวอย่าลืมว่ากิเลสพวกราคะเนี่ยมันมาถึงระดับของพระอาหารหันต์แล้วเลยพระนาคามีมาแล้วมันก็มีรูปประราคะอรูปประราคะซึงหมายความยังมีความกำหนัดพอใจติดใจอยู่ในรูปประชานในรูปประชานหรือความสุขในรูปประชานในรูปประชานในรูปประพบุบรูปประพบ วิราคาจึงเป็นวัยยาพดกาใช้แทนนิพพานนี่ทรงสแสดงไว้ว่าวิราโคเศโตธรามนังวิราคาประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายหรือเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายในที่นี้ก็หมายถึงนิพพานในชั้นนี้ก็พยายามดูจิตหเห็นความจางคลายของราคะ มันก็คืบคลานเข้าไปสู่วิราคาคือจิตที่ปราศจากราคะขึ้นไปโดยลำดับก็แล้วแต่ว่าจะไปได้ถึงไหนแหละแต่ตอนนี้มีนิโรธาอยู่ด้วยเพราะ จ, จริงๆถ้าจิตมันปราศจากราคะมันก็เป็นนิโรธาคือดับเพลิงกิเลสได้เพลินทุกการดูการดับทุกดับกิเลสไปในใจ หรือว่าดูอัฏฐานที่บายกรอก ข, ขายความหมายของคำว่านิโรธแล้วก็น้อมมาดูที่จิตเราว่าเราสัมผัสบางได้ไหมเราสัมผัสได้บางไหมที่ท่านแสดงเอาไว้เนี่ยจนถึงกับปฏินิสก า, ศศานุปัสสีอนุปัสสนา หมายความว่าตามดูถึงการถ่ายถอนกิเลสและความทุกข์ออกไปจากจิตใจอนุปัสสนาเหล่านั้นได้พิสาแล้วในประกรณ์ชื่อวิสุทธิมักเหมือนกันคือท่านอธิบายไว้ในวิสุทธิมักแล้วอัตถกถานี้พระพุทธโฆส า, าจารย์เป็นคนอธิบาย แต่วห้ลองสังเกตนะว่าประเด็นที่ท่านยกขึ้นมานั้นก็ยกมาจากพระบาลีพุทธวจนะนั่นเองทีนี้ก็ยังมีประเด็นหนึ่งก็คือคำว่าเพิ่มพูนการอยู่ในสุญญาคารมีทั้งสิบเจ็ดข้อนะครับาร น, นี้มีทั้งสิบเจ็ดข้อเลยความว่า ผู้ยังสุญญาคารให้เจริญในคำว่าบรูเหตตาสุญญาคา่คาราวานังภิกษุเรียนอารมณ์กรรมฐานด้วยสมถะและวิปัสสนาแล้วเข้าไปยังเรือนว่างตลอดวันและคืนเึงทราบว่าเป็นผู้เจริญสุญญาคารจนภิกษุที่กระทำความเพียรในปราศาทชั้นเดียวเป็นต้น ไม่พึงเห็นว่าเป็นผู้เจริญสุญญากาศเลยแต่นี่สั้นก็อธิบายในพะระตรรมาอธิบายแต่ว่าคือมันมันคำว่าเรือนว่างเนี่ยมันเน้นที่ความสงบแล้วก็แน่นอนแหละเสนาสนะสัปปายะคือปราศจากสิงโปลกสิงสกโปล ก, ลกรบกุงรังสะอาดสะอ้าน แม้แต่ว่าเครื่องนุ่งห่มจีวงจวอรต่อยะไรต่างๆมันก็ต้องไม่มีกลิ่นถ้าไม่งานก็จะรบ ก, กวนในการเจริญการวันธานเกลื อ, อ น, นี้ท่านเน้นที่สถานที่เกินไป่ถ้าอย่างนั้นอย่างพระในปัจจุบันก็สาุญญาคาตไม่ได้เลยรเราก็ไม่มีป่าจะไปอยู่ แต่ถ้าเกิดอยู่ป่าปัญหามันจะตามม่เยอะเลยโลกเปลี่ยนแปลงไปสังคมเปลี่ยนแปลงไปคือประเด็นเนื้อหาว่ามันเป็นที่สงบปันจจัจสมาณนแสางนั่นแหละคือยินดีในที่นั่งที่นอนสงบความสงบจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดในที่ใดอะที่นั้นก็จะเป็นสุญญากาศของท่านเห่านั้น ของท่านผู้นั้นเทศนานี้แม่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเริ่มด้วยสามารถยกอาทิศีลสิกขานั้นแสดงกอนก็าตามก็พึงทราบว่าเป็นเทศนาที่นับเมื่อในใจสิกขาโดยลำดับพอรวมสมถะและ ว, วิปัสนาเขนด้วยกันเทติสมถะและวิปัสนามีศีลเป็นประทัดฐาน เมื่อในการเทศนาธรรมชีเป็นค่าศึกของตัณหา พ, า, าพระผู้มีพระเจ้าก็ทรงเริ่มด้วยสามารถการยกตัณหาขึ้นแสดงก่อนแล้วก็พึงทราบว่าเป็นเทศนาที่นับเข้าในหมวดสามแห่งธรรมเครื่องเนื่นช้าโดยลำดับธรรมเครื่องเนื่นช้าก็คือตัณหามณทิฐินะ ความรู้สึกเป็นของเราเนี่ยราลองนึกดูว่าของเราของเราคนเดียวนีไปไหนมาไหนก็ยุ่งยากเพราะว่ากังวลห่วงใโยโวยหาอะไรวิตกกังวลไปด้วยประการาต่างๆทีนี้ประกอบทำเครื่องสงบทางจิตอันเป็นไปในภายในไม่ทาฌานเอนห่างก็ หมายความว่าจเจริญสมถกรรมฐานจนถึงชาญเนะจนถึงชานเลยทีนี้คำว่าเพิ่มพูนสุญญากาศก็ได้แก่การเป็นสถานที่นะฮะเป็นสถานที่แต่ว่าใจต้องยินดีในในเรือนว่างเช่นนั้นโดยทีนี้เราตั้งประเด็นขึ้นว่า การที่จิตเป็นเอกกตาจะอนุรักษ์ศีลไว้ได้อย่างไรเอกกตาคือจิตมันเป็นสมาธิแหละจิตมันเป็นสมาธิมันก็สงบ ม, มันก็ดิ่งมันคุมที่กายที่วาจาที่ใจอ่ะมันก็เป็นศีลอยูชัดเจนว่าเป็นศีลที่บริสุทธิ์หมดจดอยู่ด้วยแต่ถ้านอธิบายว่า ก็ผู้ใดไม่มีจิตเป็นเอกกคตาผู้นั้นเมื่อพัญาที่เกิดขึ้นย่อมเดือดร้อนเขาถูกพัญาที่เรากวรกระวนกระวายจึงต้องให้สินขาดจึงจะ ก, กระทำปัญญาที่นั้นให้สงบไปได้ส่วนผู้ใดมีจิตเป็นเอกกัคตาผู้นั้นคมพัญาที่ทุกไปได้เข้าสมาบัติในขณะที่เขาเข้าสมาบัติทุกย่อมปราศจากไป ความสุขซึ่งมีกำลัง ม, มากกว่าก็จะเกิดขึ้นความที่จิตเป็นเอกกตาย่อม อ, อนุรักษ์ศีนได้ด้วยประการเช่นนี้แล้วก็ท่านก็ถามว่าการกาหนดสังขารย่อมอนุรักษ์ศีลได้อย่างไรอนิมก็อีกและว่าการกำหนดสังขารมันเป็นการใช้สติสัมปชัญญะความเพียร กำหนดรู้สภาวะความจริงของสังขารเหล่านั้นตามที่มันเป็นใจก็สงบกายก็สงบปัจจาก็สงบแต่ส่วนจะบัญญัติชื่อเรียกว่าอย่างไงนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านตอบว่าผู้ใดไม่มีการกําหนดสังขารผู้นั้นย่อมมีความรักอย่างรุนแรงเนี่ยแต่ภาพว่ารูปของเราเวทนาของเราสัญญาของเราจนเนี่ยทั้งทั้งครบมาอย่างจนถึงวิญญาณของเรา ผู้นั้นเมื่อไปเชิญทุพิกภยัยและพยาธิภัยเป็นต้นเห็นปา น, นั้นย่อมทำลายศีลและท่านหนออัตภาพไว้ส่วนผู้ใดมีการกำหนดสังขารผู้นั้นย่อมไม่มีความรักอย่างรุนแรงหรือความสน่หาในอัตภาพก็เมื่อเขาไปเชิญทุพพิกภยัยและพยาธิภัยเป็นต้นปานนั้นถึงแม้ไส้ใหญ่ของเขาจะไหลออกมาข้างนอก ถ้ า, าว่าเขาจะสูบผอมสูบสีดหรือขาดออกเป็นท่อนๆเป็นร้อยท่อนพันท่อนเขาก็จะไม่ทำลายศีลด้วยท้านหนอมัตรภาพไปได้การกระโดดสังขารย่อมอนุรักษ์ศีนไว้ได้อย่างนี้พระผู้มีพระ เ, เจ้าในสัตว์ว่าอย่างนี้ว่าเพราะภิกษุผู้หวังคุณธรรมสี่ประการเหล่านี้ คือเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นนับไม่ใช่เป็นผู้เคารพนับถือของเพื่อนปรมจารีทั้งหลายไม่มีกิจที่จะต้องทําอะไรอื่นแต่พึงเป็นผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นโดยแท้เพราะว่าภิกษุผู้ประกอบด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเช่นนี้ย่อมเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพนับถือ ยกย่องของเพื่อนสกรัมบิารีตัางหลายอยู่แล้วคือหมายความมันจะปรารถนาหรือไม่ปรารถนานี่มันก็เป็นไปโดยอัตโนมัติแล้วก็ทรงสรุปว่าจนยอมทรรมบุคคลผู้สมบูรณ์ดยศีลและทัศนะผู้ตั้งอยู่ในธรรมผู้มีปกติกล่าวคำจริง ผู้ทำการงานของตนให้เป็นที่รักดังนี้นี่ก็เป็นประเด็นทุกๆประเด็นนะหมายความว่าพระพุทธโกษาจารย์ท่านนำมาที่ปลายอภิปลายทุกประเด็นแต่ว่าต้องการจะไปย้ำประเด็นสุดท้ายของแต่ละข้อที่พระเจ้าทรงแสดงหลักปฏิบัติก็คือหลักขอ้อศีลสมาธิปัญญาดังกล่าว หมาความว่าผลที่เราต้องการเนี่ยมีทั้งสิบเจ็ดอย่างแต่ผลเหล่านั้นเกิดมาจากเหตุเหมือนกันคือเกิดมาจากการกระทาม้สมบูรณ์ในศีลสมาธิปัญญาดําเดินชีวิตคนตกลไปตามหลักของอริมากคปองแปดประกันนี่ก็เป็นข้อความในอากังขยสุ คือสูตรที่ว่าด้วยความหวังหรือความปรารถนาของพิสูจ ค, คือตามปกติแล้วเราเราหวังเยะหวังจะเป็นอย่างนั้นหวังจะเป็นอย่างนี้หวังจะได้อย่างนั้นหวังจะได้อย่างนี้แต่ว่าแต่ทำอย่างไงจะเป็นไปได้อย่างที่หวังพระพุทธเจ้ากระสงแสดงเหตุ นันก็ยุติโดยหลักี่ว่าทมต้องบวงเกิดแต่เหตุพระศาสนาก็จะทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความรับแห่งธรรมนั้นประมาสมณะมีปกติตัดอย่างนี้เวอรก์ก็ข้อความในอาการเขยสูตรก็คงจะเอาเฉพาะประเด็นตรงนี้มาเพิ่มเติมตามที่พระตถาจารย์ท่านอธิบายเอาไว้ ก็ควรจะจบแล้วก็ควรจะขึ้นสูตรใหม่ในช่วงนี้ยังเป็นเรื่องของประภิกษุธรรมะที่ทรงแสดงแต่ละคราวค่อนข้างยากแต่ระดับหนึ่งเนี่ยเราก็ทำได้เอาได้สี่ห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์ก็ดีแล้วนะฮะเพราะว่าร0อยเอร์เซ็นมันเป็นเรื่องพระราาน เราได้สักห้าอร์เซ็นก็บุญแล้วคลองคองเรือนคลองสุขได้แล้วอยู่ดีมีสุขได้แล้วท่านฟังทังหลายเสียงธรรมจากหมหาวิทยาลัยสีประทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี